เอ่อครั้นเมื่อโอรสของพระเจ้าจักรราชทั้งหลายออกบวชตามลำดับของตระกูลแล้วก็เพื่อเป็นบริวารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจ้ามหันตนามสักยะผู้เป็นที่ประกาศท่านอนุรุทธ์ว่าพ่อราชกูลของพวกเราใครๆที่จะบวชแล้วก็ไม่มี หรือว่าฉันจะต้องบวชในพระพุทธศาสนาสมิตระพวว่าทุกตระกูลเค้าบวชกันหมดแต่กูลขาดแต่กูลเราตระกูลเดียวเท่านั้นท่านจารย์รุทธิณีถามว่าหม่อมฉันจะเป็นสุขมฤชาตอย่างนี้คนอย่างฉันนี่ควรจะบวชได้หรือพี่ฉันเห็นจะไม่ยอมบวชแน่ ว่าการบวชเป็นของหนักแก่พระที่บวชแล้วแล้วมีความลําบากกันอยู่มากเป็นนั้นว่าท่านเจ้ามหานามจึงได้ทรงตัดว่าถ้ากระนั้นเธอเวลาที่เธอจะยังไม่บวชจะไม่บวชแล้วก็เธอจะอยู่ครองเมืองต่อไปเธอก็จงเรียนการงานซิก่อน เพราะฉันได้เกรงการงานภาระครวาทที่ต้องครองเรริญแล้วฉันจะบวชเจ้าอนุรุทธที่ถามว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครับทีนี้ตามพระมารีที่กล่าวว่าจึงอยู่เจ้าอนุรุทธย่อมไม่ทราบไม่ได้ที่เกิดขึ้นแห่งอาหารแล้วเจ้าจะทราบได้ยังไงว่าการงานนี้ก็ทํากันอย่างนั้นมีอะไรบ้าง เพราะว่าท่านต้องการอะไรมันก็ได้ทั้งหมดเป็นนว่าการงานที่ท่านจะทํามันก็ไม่มีอาหารมันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีตามพระบาลีที่กล่าวว่าในวันหนึ่งบรรดาเจ้าสักยะ 3 องค์ได้กันคือท่านอนุรุทธท่านภัททิยะท่านสิปิละนั่งปรึกษากันว่านี่ชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหน บรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายทั้ง 3 องค์นั้นท่านเจ้าจิมพิละจินุตตตอบว่าอาหารไม่เกิดขึ้นในช้างอันมีเพราะว่าได้ยินว่าวันหนึ่งท่านได้กินพิละให้กินพิละนั้นได้เห็นข้าวปลืดที่เราขนเข้าช้างเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดว่าอาหารที่ไม่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดในช้างนะท่านเห็นอย่างนั้น สำหรับท่านภัทติยะตอบว่าก็กล่าวกับท่านกินิละว่าท่านยังไม่ทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของอาหารเนี่ยไม่เกิดขึ้นในหม้อที่ได้กล่าวว่าเกิดขึ้นในในช่างนั้นมันไม่ถูกกัมมบัลีได้กล่าวว่าท่านภัทติยะนั้นเคยเห็นเขาตักอาหารขึ้นมาจากในหม้อ ก็เลยคิดว่าอาหารไม่เกิดในหม้อเปปิลอนุวาบไม่มีความเข้าใจกันสําหรับเจ้านรุตจึงกล่าวกับธเนศรว่านี่ธนะ 2 ก็ยังไม่เข้าใจอาหารนั้นมันไม่ได้เกิดในชามอาหารไม่ได้เกิดในหม้ออาหารนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นในถาดทองคําใบใหญ่ไอ้ขาตาทองคําใบใหญ่ที่กล่าวถึงนี่ก็คือโตกโตกทองคํา เขาขาดทองคําใบใหญ่ที่อาหารได้เกิดขึ้นสูงดําน้ํามันหนึ่งกํามาหรือใกล้ๆกับจอกครั้งนี้ตามพระบาลีท่านว่าได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาทําเข้าเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงข้าวท่านเห็นแต่อาหารที่เขาโคตมาใส่ไว้ในถาดทองคําแล้วตั้งไว้ข้างหน้าท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าว่าเข ทั้งหลายอาหารทั้งหลายนั้นย่อมเกิดขึ้นในถาดนั่นเองเพราะฉะนั้นลんだกุลบุตรทั้งหลายจึงมีความไม่เข้าใจในเรื่องอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ทํามาแล้วเมื่อไม่รู้แม้แต่ที่เกิดทั้งอาหารอย่างนี้ท่านจะรู้จักการงานได้อย่างไรเทวมาลีธมนิชัยว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีบุญซะจนล้น เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าไม่แต่ข่าวที่จะบริโภคเข้าไปไอ้เสวยเข้าไปมันมาจากไหนเข้าใจว่ามันอยู่ในภาชนะต่างๆตามที่ตามที่เคยเห็นมาเท่านั้นปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยทําการทํางานอย่างอื่นมาเลยในท่านอาจารย์รุฒนั้นได้สลัดความที่จะต้องมีการงานที่ต้องทําจึงเข้าไปจัดบอกกับท่านอะไร พระอนุรุทธนั้นได้สดับความที่กายงานทั้งหลายที่จะต้องที่เจ้าพี่สั่งบอกโดยนายเป็นท่านว่าอนุรุทธจงมาเถิดฉันจะสอนเรื่องการอยู่ครองเรือนแก่เธออันผู้อยู่ครองเรือนนั้นย่อมจะต้องไถนาเสียก่อนเอาล่ะสิเอกฆ่าไม่ได้เกิดในท่อเสร็จแล้วข้าวมันไม่เกิดในนา อันนี้ก็ไงท่านบอกว่าที่ต้องไถนาก่อนไถนาแล้วก็เก็บแล้วก็เกี่ยวไว้ตรงที่สุดท่านกล่าวว่าจะต้องไถนาก่อนดังนี้สิ่งของที่มีที่สุดไม่ได้เมื่อไถนาแล้วต้นข้าวขึ้นเก็บเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เอาเข้าช้างเข้าช้างแล้วกินกินแล้วก็ไถไถแล้วก็กินว่ากันอย่างนั้นทุกปีมันไม่มีที่สิ้นสุดใครกล่าวว่าด้วยความต้องการของผู้ครองเรือน ไม่เอาแล้วท่านอภกรุตเมื่อได้ฟังว่างานมันไม่รู้จักจบเราท่าอย่างนี้แล้วก็หม่อมฉันไม่เอาแล้วพระเจ้าพี่ฉันไม่ยอมครองเรือนแล้วฉันไม่ต้องการคําว่าไม่มีจะต้องฉันเด็ดออกไปพร้อมกับพระรอดของเจ้าสกยะทั้งไมไม 5 คือว่าจะต้องบวชแล้วมาอยู่แล้วเปิดไม่โทไอ้อยู่เป็นคนนี่มันต้องทํางานนี่มันเหนื่อยสู้อยู่เป็นพระก็ไม่ได้ฉันจะไปบวช ตนอันว่าได้บอกลาท่านพระมหานามว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบวชก็บรรดาท่านเจ้าท่านสักยะทั้ง 5 คือลูกเจ้าด้วยกัน 5 องค์มีท่านภัททิยะเป็นประมุขคือเป็นหัวหน้าเมื่อลาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุปิยอัมพรวันทรงบวชแล้วเรื่องคนบวชแล้วพระอนุรุทธ ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําให้แจ้งในวิชา 3 คือ 1 ทิฏฐิจักขุญาณ 2 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณทิฏฐิจักขุญาณได้เห็นผีเห็นบรรดาหรือสัตว์นรกเห็นสวรรค์ได้ตามชอบใจต้องการจะเห็นใครก็เห็นได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี่ก็สามารถจะรัตชาติถอยหลังได้ตามอติยาศัย แล้วก็อาศวะขยญาณธรรมอาศวะให้สิ้นไปญาณทั้ง 3 นี้รวมกันเรียกว่าทิพย์เรียกว่าวิชชา 3 ท่านทําให้แจ่มในวิชชา 3 โดยลําดับก็ได้คู่นั่งบนอาสนะเดียวไม่ว่านั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะเร็งแลดูโลกธาตุ 1,000 ได้โดยทิพยคุหลุดจากผมขนหนังขำพร้อมที่บุคคลวางไว้บน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มีไม้ความอาทิตย์อีกคุยายก็ท่านแจ่มใสจะรู้โลกไหนก็รู้ได้เหมือนกับปลนคําพร้อมที่ก็วางไว้ที่มือจะมองดูตรงไหนไม่ค่อยเห็นชัดท่านเพียงเป่งอุทานว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสานุสสติญาณทั้งนี้ฤาอาศัยบุญญกรรมที่อธิษฐานไว้ในกาลก่อนและเวลาที่ทําบุญขอกล่าวคถาล้วนๆ เราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเดีนี้ปุพเดีวาจาและที่เปียกเราก็ตํารัดแล้วเราเป็นผู้ได้วิเคราะห์ธรรมเป็นผู้มีฤทธิ์คําสอนของพระพุทธเจ้าอันเราได้กระทําแล้วเวลานี้เป็นอรหันต์บวชปุ๊บเดียวเป็นพระอรหันต์เลยเพราะอธิษฐานบารมีและบุญนี้ทําแล้วได้ดี นี่เป็นอนุวาทกิจของท่านอนฤทธิ์ตามระวัฏก็จบลงแค่นี้แต่ก็ยังไม่จบก่อนก็บุญที่สืบเนื่องกันมามีอยู่ที่ว่าท่านอนฤทธิ์นี่แทนที่จะทําบุญมาแต่คนเดียวก็ยังมีท่านสุมนเสถียคอยโมทนาบุญด้วยบุญของบุคคลผู้ทําเรื่องถึงกันก็ต้องเรื่องถึงกันกันในชาติสุดท้ายคือความเป็นอรหันต์เหมือนกัน และขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังต่อไปว่าการโมทนาบุญที่บุคคลอื่นทําแล้วโดยดีจะมีผลเป็นประการใดท่านอนุว่าเมื่อท่านพิจารณาดูว่าเราทํากรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้ เมื่อนี้ทราบได้ณที่นี้คือญาณเราได้ตั้งความปรารถนาปรารถนาไว้แล้วแค่บาตรทําบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่ากับปฐมุตระและก็ทราบต่อไปว่าการท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในการอื่นโน้นได้อาศัยทั้งสมณเศรษฐีในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพเป็นผู้ชื่อว่า เวลานั้นเราชื่อว่าอนภาระดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าตอนนี้ก็แต่งวาจาเป็นคาถาลํพึงว่าในการก่อนเราเป็นผู้ที่ว่าอนภาระเป็นคนเข็งใจคนยากของท่านนักเอ่อของท่านสุมนเสขีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระประเจกขุนทเจ้ามีนามว่าอุปริทธะประเจกขะพุทธะ เกกับกุทธะเป็นผู้นิยตตอนนี้ตามบำบริทท่านกล่าวว่าถ้ารึกนึกถึงจะหายเก่าในครั้งนั้นท่านได้มีความปรีดิ์มิตกว่าเวลานี้สุนนสิทธิผู้เป็นสหายของเราซึ่งได้ได้ให้สหวะนะแก่เรารับเอาทุนบุญแก่วินบาสที่เรา อริยศักดิ์พระติพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระอุปริทธ์ในกาลครั้งนั้นเวลานี้เธอเกิดอยู่ที่ไหนนี่บุญที่ทําเรื่องกันบรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายปื้นครื้นจุ่งใจเห็นนึกถึงกันอย่างนี้ที่คนเราที่เกิดมาในเวลานี้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างความดีอยู่ในการก่อนเราก็เห็นหน้ากันเข้ากันมิจะรักกัน ท่านทีพอได้ยินชื่อกันแล้วก็รักกันพอใจกันอย่าจะเห็นกันอย่าจะคบหาสมาคมกันทําความดีทางความเด่นอะไรก็อย่าจะทําด้วยกันเป็นหมู่ประชานะก็เพราะอาศัยว่าเคยได้บําเพ็ญบารมีสร้างความดีร่วมกันมานี่เป็นความเห็นอัตตมาแล้วก็ความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้มาจากพระสูตรนี้เห็นว่าพระอนุรุทธท่านได้ดีแล้วก็เป็นนึก ไกลหลังไปว่าแฟนเพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะคนนี้เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราติดตามเขาเวลานั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าที่นั้นท่านได้ไล่เห็นท่านเศรษฐีนั้นว่าบ้านชื่อว่ามุนฑณนิคมมีอยู่ในเชิงเขาใกล้ดงไฟไม้ไอ้ดงไฟไม้อ๋อดงไฟไม้ไม่ใช่ดงไฟไม้ <c oughs> ไยดงไฟไม้อุ้มไว้ศพคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมนทะในมุฑตกะนิคมนั้นมีบุตรอยู่ 2 คนคือชื่อว่าอิตามหาปุณฑะนี่จะมีลูกชาย 2 คนคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าจุลสุมนะก็เลยในจํานวนบุตร 2 คนนั้น สุวรรณเสถีเกิดเป็นจุลสุวรรณไอ้จุละนี่แปลว่าเล็กกรรมะมหาแปลว่าใหญ่เป็นอนุลูกชายเกชื่อว่าสุวรรณะไอ้สุวรรณะนี่ก็แปลว่าใจดีซึ่งคนใจดีชื่อว่าใจดี 2 คนไม่ใช่ใจร้ายคนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่กว่าที่เจอให้ชื่อว่ามหาสุวรรณะสุวรรณะที่เป็นใหญ่ ลองใครจะเป็นทายชื่อว่าสุวรรณเล็กคือจุลสุวรรณก็ในทางนั้นท่านได้เห็นแล้วก็ท่านได้คิดว่าพวกเราไปที่นั่นอุปการะจะมีหรือไม่นี่บรรดาท่านที่ได้ภิกขุญาณนี่ท่านมีอย่าได้เสียสามารถจะทราบว่าถ้าไปที่นั้นน่ะจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ความจริงพระภิกษุทั้งหลายท่านก็ไม่ค่อยขยันนักในการแช่ญาณเพราะว่าจิตท่านมีความสุข สถานที่ท่านไปไหนทั้งก็ไม่ใช่ใช่ไม่กันอย่างพระมหาอายต์สบกับนางราชาเทวีทิดาถ้าจะหาเจ้าศพก็น่าจะใช้ยานว่าใครจะมาจัดสถานที่จัดนำชัยนำฉันแต่ว่าท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นท่านปล่อยซึ่งทั้งวันที่ 3 จับได้ว่านางมาทํากายปัดกว่าสถานที่ของท่านเรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราชาเทวีทิดา แล้วก็หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงได้รับฟังแล้วถ้ายังไม่ฟังก็หาเทศฟังได้นี่เมื่อท่านใคร่ครวญอยู่ก็ได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นธุระสวนะเวลานี้อายุได้แล <c oughs> 7 ปีถ้าจะออกบวชถ้าเราไปแล้วก็เขาจะมีความเลื่อนไสเด็กน้อยนี่จะเป็นเนนจะออกบวช แล้วจักบรรลุพระอรหันต์ในเวลาที่ทรงผมเสร็จทันทีนี่ท่านที่ได้ที่เปรียกครูญาณจริงๆแจ่มใสท่านก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะถามว่าเวลานี้พระทั้งหลายเค้ารู้มั้ยล่ะถ้าเป็นพระหลานได้วิชา 3 ก็ต้องสอบว่าท่านรู้คําว่าถามว่าท่านรู้ว่าท่านพูดมั้ยถ้าไม่มีความสําคัญท่านไม่พูด จะพูดแต่เพื่อประโยชน์อะไรพูดแล้วเขาไม่เชื่อมันก็เดือดร้อนถ้าจะพูดก็ต้องมีประโยชน์จริงจะพูดจะถามว่าใครเป็นอรหันต์มั่งตอนนี้เห็นท่าจะไม่ตอบแล้วเดินไปคลําๆเอาก็แล้วกันของไหนเป็นพระอรหันต์องค์นั้นถึงกับเป็นเอจะไปถามท่านนั้นไม่มีใครกับบอกจะถามไม่ได้สังเกตได้ยังไงก็บอกก็ตอบไม่ได้นั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูด <c oughs> ตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะเวลานี้อาตมายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เวลานี้อาตมาเป็นพระทังหันหมุนไปหมุนมาหมุนจนสายตัวเกือกอย่าขาดมันหน่วยแสนทุกวันเลยไอ้ก็เต็มใจเลยเพราะส่วนใดที่เป็นสาธารณประโยชน์พร้อมเถิดก็ไม่ทําได้เพราะในเขตของพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่โลกิวิสัยที่เป็นปัจจัยให้ชาวโลกมีความสุข ถ้าจริงนั้นไม่เคยมีความสามารถก็พร้อมจะทําเมื่อทํางานมากๆอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงที่เขามาแจกโฆษณาการดํานักศีลต่างๆว่าเป็นพระอรหันต์ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังฟังอาตมาไว้ซะบ้างก็ฟังชาวบ้านก็พูดแล้วก็เชื่อไอ้อย่าของเองพูดไม่เชื่อก็เหลือที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยกันไป อริยะครั้งอย่าคลายอย่าเพ้ออย่าฝันด้วยก็ว่าไปตามอติยาศัยเอานี่ไปบ้าใครวะเนี่ยก็สระนี่ยุ่งจังแม้นพูดเรื่องอะไรเป็นอันว่าท่านทราบแล้วว่ามาไปถึงนี่จะบวชจะบวชแล้วก็ยังไม่รู้ไม่รู้อรหันต์เมื่อเวลาที่ลงผมเสร็จนี่เป็นวิสัยของพระอรหันต์ที่ได้วิชา 3 เสื้อปัญญา 6 และปริสัมปิธายา แต่สําหรับท่านที่เป็นสุขะมีสุขาวิปัสสโกมีพระบางท่านมาบอกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วแจกคนอื่นเป็นอรหันต์ท่านไม่รู้นี่ก็ซวยเต็มทีที่แบบนี้ทําไมล่ะเค้าเป็นอรหันต์แล้วทําไมเค้าจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอรหันต์ก็คนที่มีความรู้คนกินเหล้าถ้าคนอื่นเค้ากินเหล้าคุยกับเราค่ําสงคําเราก็รู้ว่าเค้าเหล้าเหมือนกัน ทำไมท่านเป็นอรหันต์แล้วจึงจะไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นเกาะตำราติดจะแกะตำราไม่ออกได้แต่เกาะตำราไม่รู้จักแกะตำรานี่ย่องเข้ามาถามถึงวัดเนี่ยมีพระหลายท่านมาแสดงความเห็นถึงวัดแต่อะไรมาเองก็ขอถือกดจีนในภัตไตยที่ดกเป็นสําคัญ เมื่อคนได้คุณธรรมชั้นไหนย่อมรู้ในบุคคลอื่นว่าได้คุณธรรมชั้นนั้นถ้าคุณธรรมที่เขาได้สูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติเอานิถามท่านว่าใครเคยได้ทุติยฉานบ้างท่านบอกว่าตอบไม่ได้มันเรื่องอะไรจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะเดียวกันมันตอบกันได้ในบุคคลผู้สงสัยเอาอย่าวิลีชัยไปมันเปลืองเวลาการฟัง หลังจากนั้นแล้วท่านก็แหละก็แล้วท่านนั่นเองอันเห็นแล้วพระพรหมอานุทรสกล่าวว่าท่านสุวรรณะจูรสุวรรณะ 7 ปีอายุได้ 7 ขวบเมื่อไปแล้วท่านจะบวชเนนติดตามมาขณะที่จะบวชเนนเอามีโคนจบที่สักกโคนหัวเสร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเห็นแล้วอย่างนี้เอาตามพระมาลีน่ะสนนใครขัดหน่อย แม้เมื่อภายในการฤดูฝนที่จะเข้ามาก็หมายความว่าไอ้ฤดูฝนนี่มันจะเข้าเป็นสารท่านทีนี้ออกเป็นอากาศไปลงที่ประตูบ้านส่วนตะหามุนฑะอุบาสกก็เป็นคู่คุ้นเคยกับพระมหาเถระอเมริกันก่อนเหมือนกันหมายความว่าในสมัยที่ท่านอรรถรุท่านยังไม่บวช <c oughs> ท่านพ่อของดษณีก็ชอบคบกันมาก่อนเมื่อเขาเห็นท่านมหาเถระพระจีวรในเวลาบินทะบัตรนี้กล่าวเอ่อกับมหาสุวรรณผู้เป็นบทว่าพ่อและผู้เป็นเจ้าอนุทรเถระของเรามาแล้วเจ้าจงรับบาตรของท่านให้ทันเวลาที่ใครๆคนอื่นจะยังไม่รับบาตรของท่านสาย เดี๋ยวมัยก็มารีบไปรับบาตรมานะกระเดี๋ยวคนอื่นน่ะเขาจะแย่งเอาบาตรไปซิก่อนเราจะถวายทางกับท่านแล้วก็บาตรขอจักให้เขาวาสนะไว้ที่นี่นะรีบไปรับบาตรท่านมาท่านมหาสุวรรณก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วอุบาสกก็ถวายพระเถระในเรือนไม่กล้าถวายพระตาหารในเรือนนั่นเองเวลาถวายก็ถวายด้วยความเคารพ รับบดียาผู้ต้องการให้ท่านอยู่จําพรรษานี่หมายความเวลาฉันก็ถามว่าเวลานี้เป็นฤดูฝนท่านจะจําพรรษาที่ไหนพระอนุรุทธเถระตอบว่านี่เนาๆเอาแต่มาเดาเวลานี้การพรรษาเข้ามาถึงก็อยากจะจําพรรษาแถวนี้พะยะค่ะของบ้านก็ก็ดีแล้วก็รับถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าจงจําพรรษาที่นี่ การจำพรรษาในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องถือว่าเป็นวัดเป็นสำคัญจะจำพรรษาที่ไว้ก็ได้ที่ป่าใช้ก็ได้ที่ป่าช้าก็ได้ที่เรือนว่างก็ได้ในถุ่งก็ได้ในโพธิ์ไม้ก็ได้ที่บ้านเผิงก็ได้เพราะเวลานั้นวัดยังหาได้ยากตามพระวินัยทั้งสัตว์และอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเขารับปริญญาคือให้สัญญาอนุญาตประจําบรรษาที่นี่ได้ท่านก็จำพรรษาที่นั่นท่านรับนิมนต์ และหลานนั้นท่านว่าสึกได้ปฏิบัติพระเถระนั้นโดยตลอดไตรมาสคือ 3 เดือนซึ่งเหมือนว่าปฏิบัติอยู่วันเดียวคือไอ้ความปลื้มปีตินั้นเวลา <c oughs> 3 เดือนผ่านไปนี่มันเป็นเวลาที่นานพอดูแต่อาศัยธรรมปีติเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายไม่มีมีแต่ความปลื้มเหมือนกับวันเดียวเท่านั้น ในวันที่เป็นวันวันมหาปวรณาคือวันออกบรรษาจึงได้นําผ้าไตรจีวรอาหารและวัตถุมีน้ําอ้อยน้ํามันแล้วเข้าศาลไปต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระกราบเรียนว่าขอพระพุทธเจ้าจงรับโทษพระเจ้าค่ะพระเถระจึงกล่าวแก่ท่านมหาเศรษฐีหรือว่าสกว่าท่านอย่าเลยว่าสก <ม. S 1> ความต้องการในวัตถุอย่างนี้ไม่มีสําหรับเราพระมหาสกจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่าวัฏสานาฏิกะคลาภะแม้ว่าจะยุ่งจะแปลมันชัดๆก็ไม่ได้กับคุณนี่คือลาภอันเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่จําพรรษาขอพระพุทธเจ้าจงรับวัตถุนั้นไปเสียก็ครับพระเถระเกิดว่าชังเทศอุปมาสก ฉันไม่ต้องการเรื่องวัตถุนี้ต้องการอะไรไปทําไมกันผมว่าศุกร์นี้กล่าวว่าท่านย่อมไม่รับเพื่ออะไรครับพระเถระคือพระนรสก็กล่าวว่าแม้สมณเณรผู้เป็นกัปปิยการกคือผู้ปฏิบัติเช่นกับเราแม้ชนะของฉันไม่มีความจริงท่านจะเล่นลูกชายคนเล็กเพื่อรู้ผลว่าลูกชายคนเล็กจะเป็นอรหันต์ ก็เพ่งกันมะเนายใจก่อนเพียงได้เอาอุบายไม่รับของแต่ความจริงไอ้เรื่องของเนี่ยพระอรหันต์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่ได้ไปทําประโยชน์ที่ไหนท่านก็เฉยๆเห็นว่าของสิ่งนั้นพอจะเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ได้ท่านก็รับแล้วก็เต็มใจรับแต่นี่ท่านเป็นพระอรหันต์ในป่าไม่ทราบว่าจะแบกเข้าสุขสันต์ไปไหนเพียงบิณฑบาตได้วัน 1 วัน 1 แล้วบุญญาธิการของพระอนรุทธก็มีมาก คำว่าไม่มีย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านฉะนั้นท่านไปที่ไหนก็ตามเรื่องคำว่าไม่มีในอหันต์ก็ย่อมไม่มีที่ไม่มีความลําบากท่านไม่ต้องการเพราะขัดศรัทธาแต่ถ้าว่ามีความประสงค์ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องการให้ลูกชายคนเล็กของท่านอุบาสกเป็นอรหันต์ซึ่งมีคุณค่าสูงกว่าจึงไม่รับที่ทั้งนี้เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจ สมภารศุกร์กราบเรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุวรรณผู้เป็นบุตรชายคนใหญ่ของผมจักเป็นสมณินเถระจินิกะว่าบาศกความต้องการด้วยมหาสุวรรณของฉันไม่มีฉันเลือกซะด้วยเนนใหญ่ไม่เอาจะเอาเนนเล็กสมภารศุกร์ก็กราบเรียนว่าถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นครับผมก็จะถวาย <c oughs> จะให้เจ้าจูรสมนะบวชให้ของเล็กไปบวชอยู่กับท่านเป็นสมณเณรพระเถระรับว่าดีละแล้วก็ให้จูกระจูรสมนะบวชจูรสมนะนั้นเมื่อเวลาบวชก็ไม่รู้อรหันต์ในเวลาที่ทรงผมเสร็จทันทีความจริงเรื่องนี้น่าจะจบกิจกันเสียทีทั้งนี้เพราะอะไร ขอเอ่อจะเล่ากันไปเรื่องราวภายหลังมันก็มากซึ่งเป็นเรื่องกับบุคคลที่ทําบุญร่วมกันเจริญในขอบรรดาท่านพระภิกษุปริสารทุกท่านเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้โปรดรับทราบว่าพระอนุเถระมีทิพยโคยานเพราะอธิษฐานบารมีมีคําว่ามีผลดีในกายก็มันเนื่องจากการอธิษฐานว่าคําว่าไม่มีจนหย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าในสมัย